ฟังตามกันเราก็ตืน่นตอนเช้าทำวัดชนมนกันคำสอนเป็นภาษาบาลีไทยเราก็รู้ทั้งอัตถะรู้ทั้งพยัญชนะภาษาไทย แลมแล้วได้ความหมายมีความลึกซึ้งแล้วก็น้อมก็มาให้มันเป็นธรรมะในตัวเรากลมกลืนไปดันนอกดันในเราได้เห็นใจของเรามันใสมันสว่างใจใสใจสว่างมันไม่ทำเฉยๆทำแล้วเป็นปัญญา ส่วนมันไม่ได้เป็นความศักดิ์สิทธิ์ลิตีปาฏิหารเป็นเรื่องของความโ ง, ง่หลงโง่งายแต่ว่าเราเห็นด้วยธรรมะมันมีอยู่ธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นธรรมะนั่นแหละกุศลบ้างอกุศลบ้างมันก็มีอยู่ในหนังสือตำรับตำราต่างๆก็เป็นเรื่องของพระไตรปิฎกหรือว่า หนังสือธรรมะมันก็อันเดียวกันมันเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณของบรรพบุรุษที่จาสืบทอดมาก่อนใช้สมองต่อสมองจดจำแล้วก็พูดกันหลายๆคนพูดสิ่งเดียวกันเป็นน้ำหนักเป็นความน่าเชื่อถือต่อหลังประเักษรขึ้นมา รูปบ้านจากรูปคนจากรูปสัตวสาราสิ่งีมันจะเป็น อ, อ, กอนักษรเป็นพยัญชนะต่างๆมีแม่ก็มันอยู่หลายภาษาแต่ละภาษาก็แตกออกไปเป็นรูปเป็นหลานเล้นหลนขอเราก็มีบาลีสันกิจต่างๆบาลีสันกิจมาจากภาษาคนโบราณปาลิภาษา มากมาคีสำเนียงต่างๆปาลีบา ล, บาลีของเราก็รับเอาอายธรรมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆมาด้วยภาษาไทยที่ประดิษฐ์ก็ไม่กี่คำนอกนั้นเป็นภาษาเทศภาษาวรรณคดีต่างๆเราก็มีความลึกซึ้งภาษาคนจนมีอยู่ในตัวเราภาษาธรรมที่มีในตัวเรา ภาษาพูดต่างๆเราก็สว่างสวยัยพ่องใสจ่มชื่นเบิกบานกณนะสวดพอมันรู้ความหมายยิ่งเราน้อมเข้ามาเป็นเรื่องของการปฏิบัติเรื่องความรู้สึกตัวเรามาวัดวารามต่างๆวัดป่าสุโกโตเราก็เชื่อว่าวัดเป็นสถานที่อยู่ของปูชนียบุคคล ผู้ที่อยู่ผู้ที่สอนผู้ที่บอกในชี้ความจริงเพราะว่าธรรมะมปนเรื่องของจริงสัจธรรมมันเป็นของจริงเราสามารถสัมผัสได้ดับทุกได้เป็นไปได้มีความดีมีประโยชน์มีความถูกต้องแม้กระทั่งนมามธรรมเรื่องของจิตใจก็ตามทุกในจิตในใจของเราเกิดจากความคิดมันเป็นนมามธรรมเราก็สามารถชี้ให้มาดูได้น ว่าตรงนี้มันมีอยู่ในตัวเราแล้วทุกๆชีวิตแต่ว่าเรารู้เท่ารู้ทันอาการต่างๆที่กำลังปรากฏใแต่ว่าจิตใจของเราวิธีคิดนึกปรุงแต่งวิธีการคือให้รู้สึกกลับมาดูที่ฐานไกาก่อนสตนิน้อยๆดูของหยาบๆชวนใั้มันว่องไวปรากฏขึ้นมาชัดเจน <c oughs> เป็นไวพิติภัณฑ์ต่างๆมันจะรู้รอบคอบ รู้รอบกองสังขารมันจะรู้เป็นตัวปัญญาไปเลยรู้แล้วรู้ถูกด้วยเพราะนั้นจึงฝึกหัดกันรู้สึกตัวหนึ่งวัน2วันสาวันสี่วันก็ตามรู้สึกตัวมันก็จะมีประสบการณ์มีความชานาญยิ่งยิ่งขึ้นไปมันก็จะเป็นประสบการณ์ของใครของเราที่เราก็ใจเรื่องของเราธรรมความเป็นจริงแต่ว่า ต้องมีผู้ชี้ผู้นำผู้บอกนะเรียกว่าการยาณมิตรอากูบาอาจารย์น <c> ะ <oughs> เหมือนกับสมัยพุทธกาลก็มีมยศกุลบุตรไปยศทุกใจมากเสรแล้วเดินออกจากบ้านไปพบกับพระพุทธองค์ที่ป่าอิสิปันนาเมรุกัทยวัน ทุกหนอทุกหนอบนวายหนอบนวัยหนอขัดก้องหนอขัดก้องหนอเดินไปพูดไปยังนั่งไปถูกที่ถูกทางถูกคนพะเจ้าทักว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดก้องหนอที่นี่ไม่ทุกหนอไอ้ไข่พูดไม่ตรงกับเราเราบอกว่าทุกเขาบอกไม่ทุกเราบอกบนวายเขบอกไม่บนวายเราบอกขัดก้องเขาบอกไม่ขัดก้องแล้วแถมชวนเธอจงมาสำนักของเรา ฝากมือเรียกยาสาคุณเากว่าถอดรองเท้าเราเดินก็เอาไปไอ้ที่เธอทุกข์เธอไม่สบายใจก็ไดี๋ยวที่ว่าเธอขาดบุญต้องทําทานท่านก็นเลยพูดเรื่องทานก่อนทําทานทําความดีทําดีแล้วจะมีความสุขบุญเนี่ยเปนเชิงความสุขที่ได้มาโดยชอบทําทบุญมีนจะเกิดความสุขทําทาน จ, จิตใจงเราจะได้เหมือนกับขึ้นสวรรค์ลเลยสักเคพูดถึงเรื่องสักเคถ้าทําดีมีความสุขก็มีทุกข์อยู่ในนั้นเหมือนกัน ท, ทําดีติดดีทําดีป้าดีทําดีไม่ถึงดีทําดีไม่ถูกคนทําดีไม่ถูกกาละเทศสะมันจะเกิดเป็นระนาความทุกข์ขึ้นมาเป็นเรื่ของการติดสุขในระดับต่างๆก็ขนไกวายทําทมันไม่เกิดปัญญา ถ้อบอกให้แน่กัขมว่าไอ้ดำรีออกจากการมวัตถุกรมคุณต่าตงๆมันติดมันยึดมันเป็นพบเป็นภูมิต่างๆพูดไปเมื่อดํารีออกจากการมก็ต้องเจริญสตินี่ดำรีเฉยๆไม่ได้ต้องเจริญสติก็ถึงมาพูดโยริยาสัตตีทุกยิย ส, สัตวตีเมื่อฝึกสติสังขารสีก็จะเห็นทุกยิย ส, สัตต4 วันที่เราฝึกกันทุวันนี้เราก็จะได้เห็นตัวยาสัตว์สีมันเกิดขึ้นมาทุกข์เหย่แทงทุกข์ตนนี้การก้าวล่วงออกจากควาทุกข์วิธีการดับทุกข์เราได้เห็นมันเกิดขึ้นมาตัวยาสัตว์สทุกส่วนของใจนโรธมัดมัน ก, ก็คือทางเดินนี่แหละมักกาเป็นทางเดินผลทางเดินสู่การพ้นทุกข์สติปัฏฐานสี่เพราะฉนั้นสตินี่ต้องเจริญทีเดียวเจริญสติที่เรามาทํากัน การเคลื่อนไหวรู้สึกตัว ne, เ, เควลื่อนไหวรู้สึกตัวเนี่ยเราสัมผัสได้แน่นอนเป็นสัจจะความจริงทุกครั้งที่เราเคลื่อนไหวรู้สึกตัวทั้งความเป็นเองทั้งเราผลิตขึ้นมาที่เราผลิตขึ้นมาก็คือเนี่ยความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวที่เราเคลื่อนไหวยกมือสิบสี่จังหวะเดินจงกลมที่มันเกิดขึ้นเองกับความคิดเนี่ยเป็นโรงงานผลิตความทุกข์มันผลิตดีจังเลยคิดแล้วกดคิดแล้วกุ้มคิดแล้วกระหวาดระแวง คิดแล้วก็เสียวสารหลังนี้เราสะดุงดะ้งวดภาวะคิดแล้วก็แปอดิดคิดแล้วก็แปอนาคตคิดแล้วก็มีสมมุติต่างๆมากมายแล้วกันอยู่ในความคิดจนตั้งเกิดข้อตกลงร่วมกันเป็นตัวเป็นผิดเป็นเหตุเป็นผลต่างๆเราก็ได้เห็นเมื่อก่อจากตัวที่ไม่รู้สึกตัวนะเราก็จึงหันมารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวกันนะ เพราะนั้นการมาวัดมาว่าเราต้องจะประเด็นกันอันดับแรกก็คือที่นี่เราฝึกกันแบบแนวหลวงปู่เตียนก็ถือว่าท่นนคคนะาน เ, เป็นปูญนียบุคคลหลวงพ่อคำเขียนท่านเป็นปูญญียบุคคลท่านก็ชี้นําให้เราได้มีสภาวะผู้ดนะูหรือสภาวะของความรู้สึกตัวตนะัวกั้งที่มีการเคลื่อนการไหวเจตนากระทำนะํำรู้สึกตัวมีการกําหนดมีการกํากับเบื้องต้นนะ กำหนดกับกำหนัดเนี่ยมันโต้กันข้ามแต่เรากำหนดรู้ความรู้สึกตัวก็กำหนัดมก็หายไปปกติมันเคยเกิดกำหนัดต่างตาดูพอใจไม่พอใจหูฟังพอใจไม่พอใจมันไหลไปอย่างนั้นตอนนี้เรากลับมาเคลื่อนไหวรู้สึกตัวปฏิบัติธรรมกรรมฐาธรรมชาติปกติปกติเวขาธรรมทุกขั้งที่มันรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกเราเห็นความเป็นปกติ เ, เ, เล็กๆมันปรากฏขึ้นมา เคยทุกข์เพราะความคิดเคยทุกข์เพราะเดียนาคตก็กลับมาสู่โลงความเป็นจริงที่ปัจจุบันนะตัวนี้เราจะได้เห็นเหมือนๆกันทุกครั้งที่เราเคลื่อนไหวหเจตนากระทำํำทวนทวนออกมาเคยไหลไปลงสู่ความต่ําความเสื่อมไหลไปสู่ความทุกข์เราก็ทวนออกมาสู่ความเป็นปกติปัจจุบันกันนะเบื้องต้นเลยทีเดียวพอเราได้ยินได้ฟังอ๋อ จะจะทำความจริงมันอยู่ตรงนี้เราก็มีศรัทธาความเชื่อว่าทำอย่างนี้มันไม่ทุกข์เราก็งลงมือกระทําลงไปเมื่อรามีการกระทําลงไปมีศรัทธามันก็มีลักษณะของการแยกแยะโดยความเห็นเรยว่าโ ย, โยนินโสมนฑิการแต่เราแยกแยะมีความเห็นมันทบทวนอดีต ท, ทบทวน เคยทำเป็นสุขเคยทำเป็นทุกข์ผลก็มันปรากฏขึ้นมาเป็นความสุขเป็นความทุกข์ทำดีทำชั่วทำบุญทำบาปมาในการเก่าปัจนี้เรามารู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็นปกติมันก็มีผลต่างมันก็เปรียบเทียบได้มันก็น้อมเข้ามาเลือกอะไรควรอะไรไม่ควรเวลามีมล้วนะของกันแยกแยะอย่างแยบคายมันก็เลือกเป็นเฟ้นเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์เข้ามา สิ่งที่เป็นทษเราก็ไม่เอาตรงนี้มันก็คือลักษณะของ ส, ต, สติปัฏฐานสี่ที่มันเกิดขึ้นมาหลังจากที่เราแยกเยอะมันเกิดการ ร, ากกรู้ความรู้สึกตัวขึ้นไหมควรเชื่อไม่ควรเชื่อจัดตาไม่จัดตาที่เชื่อเพราะว่ามันไม่ทุกข์หรที่เชื่อเพราะว่ามีความสุขมีความสุขอยู่ไหนอะมีความเชื่อแบบนั้นขึ้นมการนี้มันเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วถูก มันไม่เชื่อแล้วเชื่อไม่ถูกมันเป็นลักษณะของการสํารวมอินทรีย์เมื่อเราสํารวมอินทรีย์เกิดขึ้นมามันไม่ดูมันไม่ฟังมันมารู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วก็เห็นว่าเออศีลมันก็เกิดตรงนั้นลักษณะของสุจริตมันเกิดขึ้นมาอะไรที่มันเป็นความสุจริตมันเป็นความสวยเป็นความงามขึ้นมันความมั่นคงขึ้นมามันหนักแน่นขึ้นมาความพึงได้ เกิดความอบอุ่นขึ้นมาเกิดลักษณะของความสงบเงมันไม่ใช่ความหนักอกหนักใจมันเบากายเบาใจกายก็เป็นกายระหุตาจิตก็เป็นจิตตาระหุตามันมีสติมีความรู้สึกตัวนะความเป็นปกติมันก็เบากายเบาใจเวลามีความอยากมันหนักมีความโกรธมันหนักมีความโลภมีความหลงมันหนักมันหนักอกหนักใจว่ามันหนักมันถ่วง มันทวงมากๆนะมันมีนิบอธรรมมาเกิดขึ้นมาตรงนั้นด้วยเวลามันทวงมันทวงมันหน่วงเช่นไม่ต้องมากนะแค่ความง่วงนมันทวงนะมันหน่วงนะดูดีๆนะีะตรงนี้เราก็จะไม่แสดงอาการนะความทวงความหน่วงว่าเราทวนอยู่เราฝึกเราทวนทนกระแสของกิเลสนิบอธรรมมันก็เป็นตัวกิเลสตัวหนึ่งเป็นกิเลสอย่างกลางนะเราก็เห็นแล้วอันนี้ความงงง่วงความ ซึมความเบื่อความเซ็งความหนักอันนั้นเป็นลรื่องของอกัสรจิตบั่นทอนปัญญาบั่นทอนสติปัญญาอย่างมากเราก็ปลกุกปลุกให้มันตื่นกันไปด้วยการเล่าให้ความสึกตัวที่ฐานกายน้ำปรากฏชัดๆเวลาปฏิบัติธรรมนี่ว่าธ ร, รมจะผ่านได้ไว้ไมากเพเห็นจชินแล้วแหละทางเดิมแรงดูดขึงมันก็ไม่ค่อยมีพลังเนาะ พอพลังของความรู้สึกตัวความเป็นปกตินี่มันมากกว่าความเบากายเบาใจหรือว่าความอิ่มเป็นบุญความสุขพนี้มันมากกว่ามืนมันประชุมแต่พอดีมันก็มีพลังปีติประสิทธิสุขพวกนี้สมาธิปัญญาเหมืนมันประชุมแต่พอดีมันก็จะเกิดกําลังขึ้นมาเกิดรูบเบคาธรรมขึ้นมาไอตัวนี้มถึงรู้เฉยๆรู้สื่ อ, อในทุกๆอาการทั้งภายนนอกทั้งภายใน มันจะรู้เฉยๆใช่ไหมเฉยรู้รู้เฉยๆไม่เป็นอาการรู้ที่เดินทางสู่มัตสู่ผลความเป็นปกติอะไรที่ไม่เป็นปกติมันก็จลุดไปจิตใจที่มันว่างๆวางๆหยุดๆเย็ๆยนๆจะปรากฏขึ้นไหถ้าเป็นมัตไนะเป็นลักษณะของการสัมผัสไนะเราได้เห็นความหนักแน่นมั่นคงความเป็นปกติเบคาตามบนนี้มันเกิดขึ้นมาชัดๆ นี่และมันเป็นหนทางเดินสู่การรู้แจ้งเป็นกระแสเป็นทั้งหลักของกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจะต้องมีสภาวะผู้ดูเมืม่อวันหลวงพ่อมัเขียนท่านเทศถึงสภาวะจุดเนี่ยว่าเป็นปลาการเป็นป้อมปลาการภาวะผู้ดูอะไรผ่านมามันรู้หมดแล้นีภาวะของตาในที่มันหยุดรู้หยุดดูหยุดเห็นอยู่เนี่ยเป็นภาวะของผู้ดูมันเป็นใยภูมิ แล้วนะ อ, อาการต่างๆมาไม่มีค่าแต่ว่ามันจะเลียงแถวมาให้ดูที่ประตูใจของเรามันจะเลียงแถวมาให้ดูจะเป็นอาการของกายก็ตามอาการของจิตใจก็ตามมันจะเกิดขึ้นให้เราได้เห็นเป็นธรรมะธรรมชาติเพราะฉะนั้นความเป็นปกติสภาวะผู้ดูนีมันจะปรากฏขึ้นมาเมื่อรู้แล้วรู้ถูกะแต่จะต้องผ่านนิวรธรรมนะจะต้องผ่านแล้วนะของอาการที่เรียกว่า ความลังเลสงสัยควลังเลสงสัยก็คือความคิดมันเป็นการคิดหาเหตุหาผลหรือว่ามันเป็นล้นมาของความง่วงความเบือ่อความเซ็งต่างๆถีนธมิตะรวบรความฟุ้งซ่านความคิดที่ฟุ้งซ่นเนี่ยมันจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับตียิยบเลยเรียงแถวขึ้นมาคิดไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวมันจะคิดถึงนี้เราจะเหยดนา้ารู้สึกตัวรู้สึกตัวก็วยังจะคิดอยู่นั่นนะ ก็เลยวันนี้วอร์เราทมันกว่างกันอย่างมากมันก็ไปถึงความรู้สึกตัวที่เป็นความรู้สึกตัวชัดๆที่ปัจจุบันกันะที่การเคลื่อนไหวของกายที่เราเจตนากระทํากรรมฐานตอนเวลานั้นจิตใจของเราเนี่ยมันมีความสุจริตขึ้นมามีศีขึ้นมามันปราดกฏมาหลังจากเราสํารวจมีสีดีๆตาหูจมูกล้นกายใจเราต้องกลับมาหาตัวเองกลับมาหาตัวหลักกรรมฐานของเราการเคลื่อนไหว กายทำอะไรใจทำด้วยกายอยู่ไหนใจก็อยู่นั่นเหมือนกันอยู่กับปัจจุบันขณะก่อนเบื้องต้นเราก็ได้เห็นอาการที่ปรากฏขึ้นมาในปัจจุบันขณะเหมือนกันมากมายเหลือเกินโดยเฉพาะความคิดใหม่ๆเราจึงไม่ยุ่งกับมันรู้ที่ความรู้สึกตัวไปพอสติมันทํางานมันจะรู้ทันความคิดรู้เท่ารู้ทันไม่ต้องไปตามรู้อะไรมาหรอกอะไรปรากฏขึ้นมาที่ไม่ใช่ความเป็นปกติของการเคลื่อนไหวมันจะตลัดคืนทันที มันจะปล่อยให้เป็นไปตามกฎของธรรมชาติทันทีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราก็ได้เห็นจนครบองค์ทีเดียวพระไตรลักษณ์ปรากฏอย่างนี้การเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปรเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันปรากฏขึ้นมาให้เราได้รู้มันเป็นกฎของธรรมชาติเป็นธรรมะเราก็ไม่เข้าไปยึดไปถือมันเองละพอารู้แล้วมันคือก้อนทุกข์วัฏฏฐานขันธ์ในขันทั้งห้าทั้งหมดมันเป็นก้อนทุกข์ ทั้งหมดทั้งสิ้นธรรมะทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ควรจิตไม่ควรถือเลยนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ใจใครชี้ให้เราทําเราก็ต้องชีก้กลับมาหาตัวเรากันโดยสรุปจะประเด็นให้ถูกการเคลื่อนการไหวในรูปแบบนอกรูปแบบกายเวลาจิตทำที่มันกำลังปรากฏขึ้นมาทียิบเราก็รู้สึกตัวทียิบเหมือนกันขณะต่อขณะวินาทีหนึ่งเคลื่อนตัวรู้สึกครั้งหนึ่งเคลื่อนไม้เคลื่อนมือก็รู้สึกครั้งหนึ่ง เดินจงกลมรู้สึกกล้งหนึ่งรู้สึกรู้สึกรู้สึกจนนั่งเห็นสภาวะของความเป็นปกติชัดๆถึงตรงนี้แล้วกายมันก็จะผ่อนคลายวาจาจะนุ่มนวลจิตใจของจะผ่อนคลายมีความเป็นกลางหรือว่าเกิดความยุติธรรมทีเดียวระหว่างอาการของกายกับอาการของจิตมันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน มีอาการปล่อยวางเกิดขึ้นมาเพรามันเองเป็นผลของการทําถูกถ้าทําถูกนะแต่บางทีมันก็ทำถูกอยู่แต่ว่าผู้ใหม่หรือว่ามันยังทําไม่ถึงความเป็นปกติของจิตมันก็จะมีอาการมีปฏิยาต่างๆมากมายเหลือเกินอันนี้เราต้องใส่ว า, าจารันใส่กัลยาณมิตรอาศัยเพื่อน ค, อ ย, คอยตักคอยเตือนคอยแนะคอยนำตรงนี้เราจะไม่อยู่คนเดียวกันเพราะว่าการอยู่คนเดียวกันอันตราย จะพิสูจน์ได้ไงอยู่คนเดียวอันตรายคืออยู่แล้วยังไม่เปลี่ยนนะนะหนึ่งวันสองวันหนึ่งเดือนสองเดือนหนึ่งปีสองปีอะไรก็ตามมันไม่เปลี่ยนมันมีลณะความทุกข์ยังปรากฏอยู่อันนี้สังเกตได้เวลามีก็สอบมีโจทย์มันจะมีอาการบั่นไหวทันทีหรือบางทีเนี่ยลักนณะการปฏิบัติมันจะเคล็ดลาบไปเลยมันจะเบื่อไปเลยมันก็จะเปลี่ยนสํานักบ้างเปลี่ยนรูปแบบปฏิบัติบ้าง หรือไปทําอย่างอื่นบ้างแต่ว่าความรู้สึกตัวจะไม่เข้าใจอธิบายอาธิบายไม่ถูกก็ได้เห็นแล้วว่าถ้าใครรู้จุดนี้ปั๊บเนี่ยนะเท่าที่สังเกตดูนะในสิบสี่ปีที่ผ่านมาเนะี่ยใครก็ตามที่ปฏิบัติแล้วรู้นะมันอยู่ไม่ได้เลยมันจะอยู่ไม่ได้เหมือนคนมีตังค์เนี่ยนะไม่เคยมีตังค์เรามีตังค์ดูมันจะอยู่ไม่ได้เลยไอ้ตัวนั้นมันจะผลักเราคุณค่าพลังของมันมันจะผลักให้เราได้ทําอะไรสักอย่างน ทำเพื่อแสดงออกออกมาให้เราเหมือนกับว่ากับบุคคลอื่นได้เห็นสิ่งนี้มันจะแสดงออกมาในการพูดการคุยหรือว่าอยู่ไม่ได้แต่ละอารมณ์แต่ละอารมณ์แต่ละอารมณ์แต่ ล, ลมณ์ละลมละลมมจะบางทีนะอยู่ใกล้หลวงพ่อครูบาอาจารย์มันจะบอกทันทีเลยเนะี่ยตอนนี้เป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้ถ้าติดสังเกตดูแม้ทั้งนะั้นปฏิบัติก็เหมือนกัน ใครตั้งใจปฏิบัติเดีย๋ยหนูเป็นอย่างนี้นะเนี่ยหนูเป็นอย่างนี้นะมันมีแต่รายงานนะมีแต่การบอกมีแต่การส่งอารมณ์บอกครูบาอาจารย์บางทีท่านก็ขัดแล้วขัดอีกแล้วนะ่ะบางทีท่านก็ไม่ได้เหมือนกับว่าได้ยินได้ฟังท่านเห็นอาการอยู่อย่างผมนะแตมาเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งตั้งใจเดินจกงกรมอย่างมากเลยเสร็จแล้วมันก็เพ่งอะ น, นะ พอยิ่งทำมันก็ยิงเพลงลงไปเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าอันนี้ก็เรียกว่าทำมกาหมอบวังโหหิผู้ใคร่ในธรรมเป็นผู้เจริญนะนะไอเราก็ใคร่ที่จะปฏิบัติธรรมเห็นว่าการที่เรามาอยู่วัดอยู่ว่ามาบวชวางอะไรมามากมายแล้วเกิดไม่ได้เป็นคนอับจนมาเป็นคนที่เห็นว่าเออพสะศาสนาเนี่ยถ้าเราปฏิบัติแล้วมันไม่ทุกข์เนี่ยมันน่าสนใจคราวนี้ก็ตั้งใจอย่างดี จับประเด็นได้ว่าให้ทำํำโดยการที่พูดว่าฟังคําพูดร้อยคําพันคําสู้ทําลงไปครั้งเดียวก็ไม่ได้แล้วไม่ว่าจะฟังดีขนาดไหนไปเรื่องของคนอื่นก็ไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราต้องลงมือกระทาให้มันรู้แจ้ง ไ, งได้ตัวนี้เราจึงใส่ใจสนใจแล้วก็เล่งรัดตัวเองเคลื่อนไหวรู้สึกใช่ไหมถึงไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็จะเคลื่อนไหวรู้สึกนี่แหละให้ยกมือใช่ไหมอาสํานักนี้ยกมือก็จะยกมือนั่นแหละ ให้เดินจงกรมใช่ไม่สํานักนี้เดินจงก็จะเดินจงกรมนั่นแหละหนังสืออาจารย์พูดแท้นเนี่ยหอบมาด้วยตอนบวชนี่เล่มหนาเปื้อนหนังสือศูญย์ยะตาศรัทธาแล้วก็ลบท่านอย่างมากแต่ก็วางไว้ก่อนธรรมะของท่านอ่านในใช่หมดทุกๆประโยค ท, ทุกคําพูดเนียใช่หมดเลยแต่ว่าทําไมเรายังทุกข์อยู่ทําไมเรายังมีปัญหาอยู่อเมื่อตั้งใจมาสํานักนี้ก็ทำเต็มที่หนังสือเนี่ยเชิญเชื้อลาขึ้นเลยนะหนังสือ สุยาตราเรื่อ น, นีก็เปิดก็เปิดก็ปิดก็เปิดก็เปิดก็ปิ ด, ปดตอนหลังเอาเวน็นหนังสือหนุนหัวแทนหมอนแล้วก็ตอนหลังเสียดายว่าหนังสืออยู่ที่นี่ขึ้นเวลาก็ส่งกลับไปไว้ที่บ้านเหมือนเดิมเอาไว้ที่นี่ก็คล้ายๆกับเสียดายนะห่วงเป็นคนหวงของถ้ามีสิ่งไหนจะรักษาเต็มที่เสร็จแล้วพอตั้งใจปฏิบัติปั๊บเดี๋ยว เอาจริงเอาจังอยูเว้ยเป็นคนที่ทําอะไรต้องทํามันเป็นอย่างนั้นนิสัยสันดานของมันเสร็จแล้วพอทําทําทําทําหลวงพ่อท่านก็เห็นอยู่อาจารย์ใบศาสตร์นี่เทศบอกเลยนะเหมือนกับผีดิบอะเดินทบจะชนคนเลยไม่สนใจใครเดินตะพานสวนอาจารย์ใบศาสตรเนี่ยเรื่องของอาจารย์ใบศาสตรไม่เกี่ยวกับผม เราก็จะรู้สึกตัวถึงๆๆๆๆๆขนาดเดียวกําหนดขนาดเดียวกําหนดอยู่นั่นนะมันจะเพ่งเข้าในไอะ น, นีคนก็จะมองกันออกอยู่หลวงพ่อก็มองออกหลวงพ่อก็บอกว่าเพ่งพูดมาประโยคเดียวนะเพ่งเราเออเนี่ยเราทําอย่างนี้อาการอย่างนี้เขาเรียกว่าเพ่งพอเราคลายออกมามันก็เออมันก็สบายแล้วก็จับได้แต่เมื่อก่อนเรานึกว่ามันไม่ใช่ ให้ตัวคลายคลาผ่อนคลายธรรมดาธรรมดานะเราน้นว่ามันไม่ใช่เราเน้นว่าต้องกําหนดลงไปกําหนดลงไปกําหนดลงไปต้องเพลงลงไปรู้สึกลงไปเราเน้นว่เ ป, นเป็นอย่างนั้นพอถอยถอยถอยถอยมัยนมันคลายอ๋อมันก็ เ, เหมือนเดิมนะั่นแหละที่เราเคยเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ที่ผ่านมาเราก็เป็นก็คือเวลามันไปปล่อยออกมานิดนึงมันรู้สึกเออมันปลอดโปร่ง แต่เราก็นกึกว่าไม่ใช่เอสภาวาที่ไปกดกดกําหนดในหน่อยเพ่งเพ่งรักหนักหนักนิดเราคิดว่าอย่างนั้ น, นคือใช่มันก็ใช่อยู่แต่ว่าเป็นอารมณ์สมถะกรรมฐานตอนหลังก็เลยได้รู้จักอ๋ออารมณ์นี้เรียกว่าสมาถะกรรมฐานเวลามีอารมณ์สมถะกรรมฐานมันจะรู้เรื่องเดียวยรู้และอีกหลายเรื่องจะไม่รู้เช่นเรากําหนดรู้ความรู้สึกตัวเนี่ยอีกหลายเรื่องจะไม่รู้เสียงก็ไม่ได้ยินใครทําอะไรก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเลยบางทีเขาเรียกชื่อเราก็ไม่ได้ยิน ตะโกนแล้วเราก็ไม่ได้ยินอย่างเงี้ยประจิตของเราไม่ได้มารับรู้เลยทังเสียงทางทางทวันหูเนี่ยอันนี้จะเป็นบทเรียนของใครของเรากันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราต้องทําเอาเองนะเราต้องทําเอาเองเป็นประสบการณ์ปรงเอาเองตายสจิงแวดล้อมกัลยาณมิตรก็ค่อยชี้ค่อยนําค่อยบอกคอยตักคอยเตือนตรงนี้ด้วยจึงมีคําว่าตมเหหิคิจังอัตปังอกักตาตาโลตถาคตา ปฏิปันนาพระโมคคันติชายิโนมาลัพันธนาท่านทั้งหลายต้องไปทําความเพียรเอาเองตอถาคตก็เป็นเพียงผู้บอกผู้แนะนำนะนะผู้มีปกติจอมพ้นจากบวกแห่งมารผู้มีปกติคือเข้าถึงสภาวะของความรู้สึกตัวแล้วก็วางกายวางใจใถูกต้องกายก็ผ่อนคลายจิตใจก็เป็นกลางๆปกติอยู่ ถ้าเราจำสภาวะนี้ได้นะทำแล้วว่ามันปลากรดขึ้นมานะแค่เล็กๆนิดเดียวเดี๋ยวจะขยายผลทันทีเล็กๆนิดเดียวรู้สึกตัวนิดเดียวแล้วก็ปกติถ้ามันเอจใจนิดเดียวเท่านั้นเองนะมันจะจําไม่ลืมเลยแล้วก็มันจะประคองสภาวะตรงนี้ไว้ก่อนเบริ่มต้นอ๋อมันเห็นแล้วมันรู้แล้วตรงนี้คือสภาวะความเป็นกลางตรงนี้คือความผ่อนคลายแล้วก็รู้ตัวชัดด้วยรู้เบาๆรู้ทั่วสรารพันกาย พอมันจําได้แนละ้วมันเข้าร่องนี่มันตกกระไดพอกระโจลเลยเนะีมันจะนลักษณะถลายหล่ำถลายหล่ำลงไปแล้วก็สู่สภาวะของมรรคผลเลยเป็นความปกติตัวนี้เราเราจะค่อยๆสังเกตได้เวลาออกไปกระทบกับเสียงหรือว่าเกี่ยวข้องอกับกิจวัตรประจำวันหรืออะไรก็ตามมันจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากที่เรียกว่าความเป็นตัวของตัวเองคือความเป็นปกติตรงนั้นนะ ตอนนั้นเป็นสภาวะธรรมที่ทั้งหลายทั้งปวงที่มากระทบเนี่ยไม่ใช่เป็นสภาวะของความทุกข์อะไรเลยเป็นแค่ปรากฏการณ์เป็นแค่อาการเป็นแค่กิริยามันจะไม่ได้มีความคิดที่เราปรุงแต่งใส่เข้าไปเป็นจริตนิสัยตัวนี้มันจะเป็นเรื่องของทางพ้นทุกข์ทีเดียวความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวที่เป็นความรู้สึกตัว ล้วนๆเปลี่ย ว, ยวแล้วก็เป็นความบริสุทธิ์นีมันจะปรากฏกันมาสำหรับผู้ที่ปฏิบัตินะกระทบสัมผัสรู้สึกกระทบสัมผัสรู้สึกก็เป็นปกตินะดังนั้นเราก็อดทนต่อกันนะในฐานะกัลยาณมิตรอดทนต่อกันมักนิดเบาหน่อยใครที่อยู่ร่วมกันกันกบเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรทําอะไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เราพยายามที่จะปรับเข้าหาของ สภาวะของตัวปฏิบัติที่เป็นล้วน่ะทำและไม่ผิดนะนะทำแล้วทําไม่ผิดมาวานหลวงพ่อท่านกระพุย้ยตัอะไรทําแล้วไม่ผิดไม่จะมีมันอยู่อะไรที่ทําแล้วมันออกจากทุกข์ได้จริงเราก็จะได้สัมผัสกันอยู่ตัวนี้แหละตั้งแต่เรามาอยู่ที่นี่ประโยชน์ที่เราได้รับก็คือมีความรู้สึกตัวที่แตกฉานมากขึ้นเราก็ไปทิศทางเดียวกัน ือทุกครั้งที่มีการเคลื่อนการไหวของกายของจิตสติปัฏฐานสี่ก็ทำงานอย่างซื่อตรงแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสภาพธรรมต่างๆโดยที่ไม่ใช่ตัวเราเป็นผู้กระทำแต่ว่าใหม่ๆการเคลื่อนการไหวเราก็ต้องเจตนาสักหน่อยมันก็มีรูปแบบมันเป็นสมมติบัญญัติะ น, นะมันเป็นตัวเป็นตนแต่ว่าตัว ต, วตนประเภทนี้นะมันพาไปสู่ความไม่เสื่อม หมายถึงว่าเราสามารถที่เอาตัวเองเป็นเพื่อนกับตัวเองได้เราสามารถตักเตือนด้วยตัวของตัวเราเองได้ผู้รู้ก็คือตัวสติตัวปัญญาไขว่คว้านแล้วก็คือถึงจะมีความคิดก็คิดตรงติดเตือนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่เพราะฉะนั้นผู้ใหม่เวลาปฏิบัติเราได้เห็นตัวเองมันตักเตือนตัวเองอยู่เป็นประจําเลยจะคิดจะผู้จะทํามันจะเกิดจากผู้รู้นะ ที่มันมันจัดการกับตัวเราเองมันเป็นผู้จัดการเราอะนะแล้วบางทีก็มีหลวงพ่อกำเคียนท่านมาพูดอย่างเช่นเมื่อวานนะท่านพูดดีนะตลอดจะประเด็นท่านพูดตามกาละเทศะแล้วก็เหมาะสมดีเดียวหรือว่าวิาวธีพูดนะที่เราได้ยินได้ฟังเมื่อวานจะมีทั้4สท่าน5ท่านนะมาที่อยู่รอบๆตอนที่ฉันเช้าเสร็จวินาทีสุดท้ายก่อนที่เราจะแยกกันน่ย ท่านพูดถึงไม่ร่างพระบทใหม่ที่กําลังจะสึกก็ตามแต่ก็พูดถึงว่าให้สมลดกับพระพุทธเจ้าแต่งงานกับพระเจ้านะเป็นเขยเป็นลูกเขยกับพระเจ้าก็ได้ก็คือมันไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องแบบแต่มันเกี่ยวกับความรู้สึกตัวรู้สึกตัวที่เราฝึกขัดกันมามันจึงเป็นแลน้วนะของรูปแบบนะที่มันออกเป็นออกรูปแบบ การปฏิบัติในการเคลื่อนการไหวสิบส่จังหวะเดินจงกรมก็ออกไปเคลื่อนไหวอะไรก็ตามให้รู้สึกตัวเล็กๆน้อยๆให้รู้สึกตัวอย่านงะนี้นะพระนุ่นี้จะเป็นประสบการณนะ์ที่เราได้มาใช้ชีวิตที่วัดป่าสู่ต่อเราก็จะต้องติดไปจนทั้งถึงด้นะนาทีสุดท้ายวินาทีสุดท้ายก่อนจะหมดลมหายใจก็เรียกว่าเราก็รู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะมันไม่มีเรื่องอื่นแล้วมันมีแต่ความรู้สึกตัวรู้สึกตัว อาการของธรรมะกินยาไปหาละเอียดกระทบต่งตางบ้างกระทบหูบ้างจมกูกเล่นกายใจพวกนี้ตนนี้มัคือตัวธรรมะที่เราจะต้องกลับมาหเห็นตัวเรากันนะเราก็จึงเรียกว่าขนาบตัวเองกันขนาบชี้กลับมาหาตัวเราเองชี้โทษแล้วชี้โทษอีกจนทั้งเหมือนกับว่ามันไม่มีภัยชี้เราไม่มีโทษไม่มีภัยอะไรทั้งนั้นทุกอย่างเป็นธรรมชาติทั้งหมดการคิดการพูดการทํา เ, เรื่องของสติปัญญาไปเรื่องของความรู้ึกตัวจะทำอะไรก็กลับมาหาความรู้สึกก่อนเจนทางความรู้สึกน่ะมันเป็นลนักษณะของธรรมชาติที่คุ้มครองชีวิตของเราต่อไปอันต์เห็นว่าสมควรเวลาก็ขอให้เราต้งองตั้งใจไปฏัตกันเลยว่าพรรต น, นี้หลวงพอมเขียนวินาทีนี้ก็เชื่อว่าท่านไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วก็อาจารย์ไปศาลกันวินาทีนี้ก็มีความเชื่อว่าท่านมาดีอยู่ที่นี่แต่ว่ามาถึงเวลาจริงๆนะ บาทีจะมีเหตุปัจจัยต่างๆเปลี่ยนไปถ้าหากท่านไม่อยู่เราก็พยายาที่จะเรียกว่าขนาบตัวเองกันฝึกปฏิบัติจนกระทั่งเหมือนกับว่าสามารถที่จะทำประโยชน์ตนแล้วก็เกิดประโยชน์ท่านต่อไปได้จะนั้งใจสุดหมดลมหายใจเราก็สามารถที่จะเหมือนกับว่าภูมิใจตัวเองกันยิ้มได้มาไปมาว่าชีวิตนี้เกิดมาไม่เป็นหมันเปล่าสามารถที่จะชีวิตคุ้มค่าที่สุด แล้วก็ชีวิตหลออยู่ว่าเกิดกำไรชีวิตที่สุดก็คือสามารถที่จะมีความทุกข์น้อยๆหรือไม่ทุกข์เลยอย่างนี้นะก็ขอให้ความไม่ทุกข์นะหรือว่าสามารถที่จะทําทุกข์ให้หมดไปได้ในปลายันชาตินี้ก็ข อ, ขอให้เราได้ตั้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติการตั้งเห็นธรรมสมควรแก่การมาโดยทั่วนากันทุกท่านทุกรูปทุกนาเตือน